สมบัติแห่งคติถึงพร้อมด้วยคติหรือคติให้คือเกิดอยู่ในภพภูมิถิน่นประเทศที่เจริญเหมาะหรือเกื้อกูลตลอดจนระยะสั้นคือทางดำเนินชีวิตเ อ, อื้อหรือไปในถิ่นที่อำนวย 2. อ, อุปทิสมบัติ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 ถึงพร้อมด้วยการหรือการให้คือเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองสงบสุขผู้ปกครองดีผู้คนมีศีลธรรมยกย่องคนดีไม่ส่งเสริมคนชั่วตลอดจ น, นระยะสั้นคือทำอะไรถูกการเวลาถูกจังหวะ 4. ประโยค่สมบัติสมบัติแห่งการประกอบ ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจโดยกิจการให้เช่นทำเรื่องตรงกับที่เขาต้องการทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถของตนทำการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วนตามเกณฑ์หรือเต็มอัตราไม่ใช่ทำาครึ่งๆปลืงกลางๆหรือเหย่ะแยะหรือไม่ถูกเรื่องกันรู้จักจัดทารู้จักดาเนินการ ส่วนวิบัติแปลง่ายงว่าข้อเสียหรือจุดอ่อนแม้ถึงความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งไม่อำนวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผลแต่กลับเปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบบกพร่องเปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมีสี่อย่างคือหนึ่ง คติวิบัติวิบัติแห่งคติหรือคติเสียคือเกิดอยู่ในภพภูมิถินประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไม่เหมาะไม่เกื้อกูลทางดาเนินชีวิตไม่เอือ้อถิ่นที่ไปไม่อำนวย 2. อ, อุปธิวิบัติวิบัติแห่งร่างกายหรือรูปกายเสีย เช่นร่างกายพิกลพิการอ่อนแอไม่สวยงามยุริยาท่าทางน่าเกลียดไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคมาก 3. การละวิบัติวิบัติแห่งการหรือการเสียคือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อย ผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมจากศีลธรรมมากด้วยการเบียดเบียนยกย่องคนชั่วบีบคั้นคนดีตลอดจนทำอะไรไม่ถูกการเวลาไม่ถูกจังหวะ 4. ประโยคค่าสมบัติวิบัติแห่งการประกอบหรือกิจการเสียเช่นฝักไฟในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด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 แต่ตัวไปเกิดยู่เซียนในป่าดงหรือในนรกก็หมดโอกาสได้ฟังธรรมหรือมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดเป็นคนป่าอยู่ในกาลทวีปก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักปราชญ์ในวงการศิลปศาสตร์ทั้งหลายมีความรู้ความสามารถดีแต่ไปอยู่ในถิ่นหรือในชุมนุมที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความรู้ความสามารถนั้นเข้ากับเขาไม่ได้ถูกเยียดยามบีบคั้น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 สำหรับในเรื่องคติสมบัติคติวิบัติอัธกถาอธิบายเฉพาะในแง่ของภพภูมิที่ไปเกิดคู่ที่สองอุปธิสมบัติเช่นรูปร่างสวยงามน่าชื่นชมแม้ไปเกิดในตระกูลยากไร้หรือถิ่นห่างไกลรูปกายช่วยให้ขึ้นมาสู่ฐานะ และถิ่นที่มีเกียรติยศและความสุขอุปธิวิบัติเช่นเกิดในถิ่นที่หรือในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์แต่พิกลพิการง่อยใบไม่อาจจะรับเกียรติยศและความสุขความรื่นรมที่พึงได้คนสองคนมีคุณสมบัติอย่างอื่นเสมอกันคนหนึ่งรูปร่างสง่าสวยงามอีกคนหนึ่งขี้เรหรือขี้โรค ในกรณีที่ถือร่างกายเป็นส่วนประกอบด้วยคนมีร่างกายดีก็ได้รับผลไปแม้ในกรณีที่ไม่ถือกายเป็นคุณสมบัติก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่จะเ อ, เอียงเข้าหาคนที่มีรูปสมบัติคนที่รูปวิบัติจะต้องยอมรับความจริงที่เป็นธรรมดาของชาวโลกข้อนี้และตรักว่าผู้ที่มีจิตเที่ยงตรงไม่เอียงเอียง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 เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ดีงามมาเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเอชิดชูคนดีคนผู้นั้นก็มีเกียรติมีความเจริญหรือบ้านเมืองสงบสุขผู้มีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์ก็มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏและให้เป็นประโยชน์หรือในยุคสมัยหนึ่งคนนิยมกากลอนกันมาก คนเก่งกากรลก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูการละวิบัติก็ตรงข้ามเจนในยามสังคมเสื่อมจากศีลธรรมผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมะคนทำดีไม่ได้รับยกย่องหรืออาจถูกเบียดเบียนกดขี่ประสบความเดือดร้อนรือยามบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายมีศึกสงครามไม่มีใครสนใจคนทำความดีทางสันติ แม้มีสติปัญญาความสามารถก็ไม่มีโอกาสสร้างสารรค์งานที่เป็นประโยชน์หรือในยุคที่สังคมนิยมดนตรีหยาบร้อนตนแม้เชี่ยวชาญในดนตรีที่สงบเยือกเย็นแต่ไม่ได้รับความสนใจยกย่องเป็นต้นคู่ที่4ประโยชค่สมบัติ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 ประโยค้วิบัติเช่นมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอื่นดีหมดแต่ติดการพ น, นันจึงไม่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานหรือมีฝีเท้ารวดเร็วมากพอจะเป็นนักรีทาชั้นเลิศแต่เอาความสามารถนั้นไปใช้ในการวิ่งฉก ช, ชิงทรัพย์เขาหรือตอนมีฝีมือดีในทางช่างแต่ไปนั่งทำงานเสมียนที่ไม่ถนัดเป็นต้น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 ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนที่มีปัญญารู้เท่าทันธรรมดาประกอบด้วยสติไม่ให้หลงไหลประมาทมัวเมาคราวสุขคราวได้ก็ไม่เหลืองลำพองเคลิ้มไปคราวทุกข์คราวเสียก็ไม่ขุนมัวคลุ้มคลั่งปล่อยตัวถลำลงในทางชั่วทางเสียคอยผ่อนผันแก้ไขเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาเมื่อยังต้องการโลกธรรมฝ่ายดี คือที่ชื่นชอบเป็นอิทธารมก็กำหนดสมบัติวิบัติที่เป็นกำลังหรือเป็นจุดอ่อนของตนและจัดสรรเลือกองประกอบ ฝ, ฝ่ายสมบัติที่จัดเลือกได้หลีกเว้นวิบัติเสียแล้วพยายามเข้าถึงผลดีที่มุ่งหมายด้วยกรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีผลมั่นคงและลึกซึ้งถึงชีวิตทุกระดับของตนไม่สร้างผลด้วยอกุศลกรรม และไม่ถือโอกาสยามสมบัติอำหนวยไปประกอบการอากุศลเพราะสมบัติละวิบัติสีประการนั้นเป็นของไม่แน่นอนเมื่อการโอกาสที่เอื้ออำหนวยผ่านไปกรรมร้ายก็แสดงผลพึงถือโอกาสยามสมบัติช่วยเร่งประกอบกุศลกรรมเท่านั้นคือถือเอาแต่ส่วนที่ดีงามไร้โทษของหลักการที่กล่าวมานี้ โดยในยะนี้ก็สรุปได้ว่าถ้าจะทำการใดในเมื่อมีองค์ประกอบของนิยามหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็พึงทำองค์ประกอบฝ่ายกรรมนิยามให้ดีเป็นส่วนที่ยึดเอาไว้ได้อย่างแน่นอนมั่นใจแล้วอย่างหนึ่งก่อนส่วนองค์ประกอบฝ่ายนิยามอย่างอื่นก็พึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเอามาใช้เสริมเท่าที่ไม่เป็นโทษในแง่ของกรรมนิยามต่อไป หากปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักถือเอาประโยชน์จากกุศลกรรมและสมบัติวิบัติทั้งสี่หรือรู้จักใช้ทั้งกรรมนิยามและสมมุตินิยามในทางที่เป็นคุณสำหรับบางคนอาจต้องเตือนว่าอย่ามัวคิดวุ่นอยู่เลยว่าทำไมคนนั้นไม่ทําดีแต่กลับได้ดี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 องประกอบฝ่ายกรรมนิยามที่เป็นฐานยืนพื้นแน่นอนอยู่นี้ก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทําให้ดีเสอีกถ้าขืนเป็นอย่างนี้ก็คงมีแต่จะต้องซุดหนักลงไปทุกทีอย่างไรก็าตามเมื่อมองให้เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผู้ประกอบกรรมดีย่อมไม่ติดอยู่เพียงขั้นที่ยังมุ่งหวังผลอันเป็นโลกธรรม คือลาบยศสุขสรรเสริญตอบสนองแก่ตนเพราะกุศลกรรมที่แท้จริงเกิดจากกุศลโมูลคืออโลพะอโทสะอโมหะเขาจึงทำกรรมด้วยจาคะสละอากุศลในใจและเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นทำกรรมด้วยเมตตากรุณาช่วยคนเพื่อให้พ้นทุกข์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 พึงสังเกตหลักการทำกรรมให้หมดไปหรือลบล้างกรรมด้วยเมตตาเจโตวิมุตเป็นตน้นในพุทธพจน์ที่จะนำมาลงไว้ต่อจากนี้ด้วย